พลิกโลกพลิกแผ่นดินที่เล่ามานี้เรื่องจิตตามธรรมชาติทั้งนั้นอัตมาไม่ได้กล่าวถึงจิตถึงเจตสิกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมีศรัทธาทำเข้าไปจริงๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อถึงวาระที่เป็นอย่างนี้ออกมาแล้วโลกนี้แผ่นดินนี้มันพลิกไปหมดความรู้ความเห็นมันแปลกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในระยะนั้นถ้าคนอื่นเห็น อาจจะว่าเราเป็นบ้าจริงๆถ้าผู้ควบคุมสติไม่ดีอาจาเป็นบ้าได้นะเพราะมันไม่เหมือนเก่าสักอย่างเลยเห็นคนในโลกไม่เหมือนเก่าแต่มันก็เป็นเราผู้เดียวเท่านั้นหลักไปหมดทุกอย่างความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาคิดไปทางโน้นแต่เราคิดไปทางนี้เขาพูดมาทางนี้เราพูดไปทางโน้นเขาขึ้นทางโน้นเราลงทางนี้ มันต่างกับมนุษย์ไปหมดมันก็เป็นของมันเรื่อยๆไปท่านมหาลองไปทำดูเถอะถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดูไกลอะไรหรอกดูจิตของเราต่อๆไปมันอาจหานที่สุดอาจหานมากนี่คือเรื่องกำลังของจิตเรื่องกำลังของจิตมันเป็นได้ถึงขนาดนี้